บทที่4ความโกรธกับการให้อภัยความโกรธความโกรธไม่ได้เป็นการตอบสนองที่ฉลาดผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความสุขและคนที่จะมีความสุขย่อมไม่โกรธประการแรกความโกรธ เป็นเรื่องร้ายเหตุผลวันหนึ่งรถของวัดจอดติดไฟแดงอยู่ข้างๆรถยนต์คันหนึ่งอาตมาสังเกตเห็นว่าคนขับรถคันนั้นกำลังเกรี้ยกล่อสัญญาณจราจรไอ้ไฟบ้าแกรู้นะว่าฉันมีน้าสำคัญแกรู้ว่าฉันกำลังจะไปสาย แกยังดันปล่อยให้รถคันอื่นไปก่อนฉันอยู่ได้ไอ้สารเลวแล้วนี่ก็มาใช่ครั้งแรกนะที่จุดจุดจุดเขากล่าวโทษไฟจราจรราวกับว่ามันมีทางเลือกอยางนั้นแหละเขาคิดว่าเจ้าไฟจราจรแกล้งเขาอาา้าวนายวันนี้มาแล้วฉันรู้ว่าเขากําลังสายฉันจะให้รถคันอื่นแล่นไปก่อนแล้วพอถึงเขาไฟแดงหยุดเสร็จฉัน ไฟจราจร อ, อาจจะดูเหมือนมีเจตนาร้ายแต่มันก็เป็นแค่ไฟจราจรแค่นั้นเองเราจะคาดหวังอะไรกับไฟจราจรละ่ะอาตมาคาดการว่าเขาจะกลับถึงบ้านชา้าและเมียของเขาก็จะเรียวกราดใส่เขาผัวเหงซวยเธอก็รู้นะว่าเรามีนัดสาคัญรู้นะว่าจะสายไม่ได้ เธอเห็นเรื่องอื่นสำคัญกว่าฉันรึเจ้าผัวสารเลวแล้วนี่ก็มาใช่ครั้งแรกนะที่จุดจุดจุดเธอกล่าวโทษสามีราวกับว่าสามีมีทางเลือกมากนักเธอคิดว่าสามีของเธอแกล้งเธอฮ่าฉันมีนักกับเมียฉันฉันจะไปให้สายเลยละ่ะฉันจะไปพบคนอื่นก่อนเอาให้สายเลย เสร็จชันอาจจะดูเหมือนว่าสามีมีเจตนาร้ายแต่เขาก็เป็นเพียงแค่สามีก็แค่นั้นเราจะคาดหวังอะไรเล่าจากสามีของเราตัวละครในเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ให้เหมาะสมกับทุกๆเหตุการณ์ของความโกรธที่เกิดขึ้น การพิจารณาคดีเพื่อที่จะแสดงความโกรธเราก็ต้องพยายามหาเหตุผลอันสมควรที่จะโกรธให้กับตัวเองก่อนเราจะต้องทำให้ตัวเองเชื่อว่าความโกรธนั้นสมควรเหมาะสม และถูกต้องในขบวนการของจิตใจเพื่อจะไปสู่ความกรบนั้นมันเป็นเสมือนว่ามีการพิจารณาคดีเกิดขึ้นในใจของเราผู้ต้องหายืนอยู่ในข้อจำเลยในศาลในใจของเราเราเป็นอายการเรารู้อยู่แล้วว่าจำเลยผิดแต่เพื่อความยุติธรรม เราจะต้องพิสูจน์ความผิดนั้นต่อท่านผู้พิพากษาซึ่งก็คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราก่อนเราเริ่มดำเนินเรื่องด้วยการสร้างภาพความผิดต่างๆที่เขากระทำต่อเราพยายามเชี่ยเห็นเจตนาร้ายต่างๆนาน า, นาการตีสองหน้าแผนการอันโหดร้ายทารุณเบื้องหลังการกระทำของผู้ต้องหาเรากดคุยเรื่องราวไร้ายๆต่างๆที่เขาทำต่อเราในอดีตขึ้นมา เพื่อจะทำให้มโนธรรมของเรามั่นใจว่าผู้ต้องหาของเราไม่สมควรจะได้รับความเมตตาใดๆในสารสถิตวิธิธรรมของจริงนั้นผู้ต้องหาจะมีทนายมาช่วยพูดแก้ต่างให้แต่ในสารใจของเรานี้เรากำลังแสดงเหตุผลอันสมควรแก่ความโกรดของเรา เราไม่ต้องการได้ยินคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นคำชี้แจงอันเหลือเชื่อหรือคำวิงวอนขออภัยทนายฝ่ายจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้พูดในการให้เหตุผลฝ่ายเดียวนี้เราสามารถพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหามีมูลเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วมโนธรรมของเราทุบค้อนและตะัดสินเลยว่าจำเลยผิดบัดนี้เรารู้สึก โอเคที่เราจะกรธเครื่องเขาหลายๆปีก่อนอาตมาก็เคยเห็นกระบวนการในใจของอาตมาในเวลาที่อาตมาโกรธมันดูไม่ยุติธรรมเลยดังนั้นครั้งต่อไปที่อาตมาต้องการที่จะโกรธใครสักคนอาตมาก็หยุดเพื่อเปิดโอกาสให้ทนายฝ่ายจำเลยได้พูดบ้าง แล้วอาตมาก็ค้นพบคำแก้ตัวที่ดูมีเหตุผลคำอธิบายที่อาจเป็นไปได้ของพฤติกรรมของเขาอาตมาให้ความสำคัญกับความงดงามของการให้อภัยอาตมาพบว่ามโนธรรมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของอาตมาไม่ยินยอมให้มีการตัดสินใครว่าผิดอีกต่อไป มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดสินพฤติกรรมของผู้อื่นความโกรธไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนได้มันจึงขาดอาหารและตายในที่สุด งานปฏิบัติธรรมแรงกระตุ้นสำคัญของความโกรธของเราคือการคาดหวังที่ไม่ได้ดังใจบางครั้งเราลงทุนลงแรงมากเกินในโครงการหนึ่งแล้วมันไม่ได้อย่างที่มันควรจะเป็นเราก็ฉุนเฉียวคำว่าควรจะ บ่งบอกถึงการคาดหวังเสมอซึ่งหมายถึงการทำลายอนาคตหนบัดนี้เราทุกคนควรจะเข้าใจอย่างจำแจ้งแล้วว่าอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนคาดการล่วงหน้าไม่ได้การเชื่อมั่นในความคาดหวังเรื่องของอนาคตมากเกินไปการมีคำว่าควรจะย่อมนำไปสู่ปัญหา ชาตะวันตกที่นับถือพุทธศาสนาคนหนึ่งที่อาตมารู้จักมานานหลายปีได้บวชเป็นพระในตะวันออกไกลท่านได้เข้าไปอยู่ในสำนักสงฆ์ที่เน้นการปฏิบัติอย่างเข้มข้นบนภูเขาห่างไกลชุมชนทุกๆปีจะมีการปฏิบัติเข้มเป็นเวลาห0สิบวันทั้งยากลำบากทั้งเข้มงวดไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีจิตอ่อนแอ ท่านต้องตื่นแต่ตีสามและเวลาตีสามสิบนาทีท่านต้องเริ่มนั่งขัดสมาธิเพื่อเข้าภาวนากิจวัตรประจำวันคือนั่งสมาธิห้าสิบนาทีเดินจงกรมสิบนาทีนั่งสมาธิอีกห้าสิบนาที เดินจงกรมอีกสิบนาทีเช่นนี้ไปเรื่อยๆท่านฉันอาหารในศาลาปฏิบัติธรรมโดยนั่งขัดสมาธิตรงที่ที่ท่านนั่งภาวนาไม่อนุญาตให้มีการพูดเวลาสี่ทุ่มท่านสามารถล้มตัวลงนอนได้แต่ก็ต้องนอนในศาลาปฏิบัติธรรมตรงจุดที่ท่านนั่งภาวนานั่นแหละ การตื่นตีสามนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลือกได้ท่านสามารถตื่นเร็วขึ้นก็ได้ถ้าท่านต้องการแต่ไม่ช้ากว่านั้นแน่นอนการหยุดพักมีเพียงเพื่อให้ท่านอาจารย์ที่น่าเกรงขามสอบอารมณ์ในแต่ละวันและเพื่อไปเข้าห้องน้ําโดยใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นเพียงแค่สามวัน ขาและหลังของพระฟรั่งองค์นั้นก็ทั้งเจ็บทั้งปวดท่านไม่เคยชินกับการนั่งนานๆในท่าที่แสงจะไม่สบายเอาซะเลยสำหรับชาวตะวันตกยิ่งไปกว่านั้นท่านจะต้องนั่งอย่างนี้ไปอีกตั้งแปดอาทิตย์ท่านเริ่มสงสัยอย่างหนักว่าท่านจะสามารถอดทนปฏิบัติไปได้นานขนาดนั้นเจริอ ทิตแรกผ่านพ้นไปยังไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่างบ่อยครั้งที่ท่านรู้สึกทนทุกทรมานกับการนั่งเช่นนั้นชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมสิบวันย่อมจะรู้ซึ่งว่ามันจะสามารถเจ็บปวดได้ขนาดไหนท่านจะต้องประเชิญกับมันอีกตั้งเจ็ดอาทิตย์ครึ่ง พระองค์นี้มีใจเด็ดเดี่ยวท่านรวบรวมความตั้งใจมั่นและกัดฟันอดทนวินาทีต่อวินาทีสิ้นสองอาทิตย์แรกท่านว่ามันเกินพอแล้วความเจ็บปวดมันมากเกินไปร่างกายชาวตะวันตกเช่นท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อรับการปฏิบัติเยี่องนี้นี่ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ฐานสายกลาง แล้วท่านก็หันไปมองพระชาวเอเชียที่อยู่ ร, บรอบๆเห็นท่านกำลังขบฟันแน่นเช่นกันแล้วเจ้าความนงตนก็ผลักดันให้ท่านผ่านพ้นไปได้อีกสองอาทิตย์ตลอดเวลาเหล่านี้ท่านรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกไฟแห่งความเจ็บปวดเผาผลาญอยู่สิ่งเดียวที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ของท่านคือเสียงค้องบอกเวลาสี่ทุ่มที่ท่านจะได้เหยียดร่างกายที่โดนทรมานนั้น ให้ได้รับการผ่อนคลายจะมันดูเหมือนว่าทันทีทันใดที่ท่านหลับนั้นเสียงค้องบอกเวลาตีสามก็ดังขึ้นปลุกท่านขึ้นมารับวันใหม่แห่งความเจ็บปวดสิ้นสุดของวันที่สามสิบความหวังเริ่มส่องแสงฤิปรีฤิปรีอยู่ห่างไกลท่านผ่านมาได้ครึ่งทางแล้ว ท่านกำลังจะเข้าสู่หลักใยท่านพยายามทำให้ตัวเองเชื่อมั่นว่าใกล้จะจบแล้ววันแต่ละวันดูยาวนานขึ้นและความเจ็บปวดที่เข่าและหลังก็ทวีคูณขึ้นหลายๆายครั้งที่ท่านคิดอยากร้องไห้แต่ถึงกระนั้นท่านก็กัดฝันทนเหลืออีกสองอาทิตย์เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ ในอาทิตย์สุดท้ายนี้เวลาเคลื่อนไปอย่างช้ามากราวกับมดติดแงกอยู่ในน้าเชื่อมแม้ว่าบัดนี้ท่านจะเคยชินกับการอดทนต่อความเจ็บปวดแต่มันก็ไม่มีอะไรง่ายเลยท่านคิดว่าถ้าจะยอมแพ้ตอนนี้ก็จะเป็นการทรยศต่อความอดทนทั้งหมดที่ท่านได้กระทำมาท่านจะต้องทำให้สาเร็จแม้ว่าความเจ็บปวดจะถึงกับฆ่าท่านได้ทีเดียว ท่านตื่นขึ้นเมื่อเสียงของบอกเวลาตีสามของวันที่หกเสรท่านเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วความเจ็บปวดในวันสุดท้ายนี้เหลือเชื่อจริงๆรราวกับว่าความเจ็บปวดที่ผ่านผ่านมาจนถึงบัดนี้มันแค่หยอกล้อท่านเล่นเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ยังหมักอีกต่อไปแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงท่านยังสงสัยว่าท่านจะทำสำเร็จหรือไม่ และแล้วก็เหลือเวลาห้าสิบนาทีสุดท้ายท่านเริ่มวาดภาพทุกๆสิ่งที่ท่านจะทำนับจากหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าที่การปฏิบัติธรรมจะยุติลงแช่น้ำร้อนในอ่างนานๆฉนั้นอาหารพูดคุยพักผ่อนหย่อนอารมณ์ตามสบายแล้วเจความเจ็บปวดก็ขัดจังหวะการวางแผนของท่านครอบครองจิตใจทั้งหมดของท่าน ท่านแอบดูนาฬิกาหลายครั้งในช่วงสุดท้ายนี้ท่านไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างช้าแสนช้าอาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นาฬิกาอาจจะเป็นไปได้ว่านาฬิกาจะหยุดเดินเมื่อเข็มนาฬิกาบอกเวลาอีก5้านาทีจะถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติธรรม ช่วงเวลาห้าสิบนาทีสุดท้ายราวกับเป็นช่วงเวลาห้าสบนาทีชัว่วนนรันแต่ความเป็นนิรันดอนนั้นย่อมถึงจุดจบลงสักวันแล้วมันก็จบลงเสียงของยุติการปฏิบัติธรรมช่างไพยรอาะเกิดกระแสะคลื่นแห่งความยินดีแล่นพล่านไปทั่วร่างกายท่านขัดเคลื่อนจากความเจ็บปวดให้หายวับ เข้าหลังฉากไปเลยท่านทำสําเร็จท่านจะต้องฉลองใช้ให้ตัวเองแล้วละ่ะเอาอ่างอาบน้ํามาเลยท่านอาจารย์ปีข้องอีกครั้งเรียกความสนใจของคนท่านมีเรื่องจะประกาศท่านพูดว่าครั้งนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่ยอดเยี่ยมมากพระหลายหลยองค์กล้าหน้ามากและในระหว่างการสอบอารมณ์ หลายหลายท่านได้เสนอขอให้ขยายเวลาปฏิบัติธรรมต่อไปอีกสองอาทิตย์ผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่วิเศษมากฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจะดำเนินต่อไปเชิญนั่งต่อเลยพระทุกๆองค์พับขาของท่านอีกครั้งและนั่งสมาธินิ่ง เพื่อการเริ่มต้นต่ออีกสองอีกิตยพระฝรั่งท่านเล่าว่าท่านไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดในร่างกายของท่านอีกต่อไปท่านกำลังพยายามจะคิดให้ออกว่าพระทูเรศห์อง์ไหนเป็นผู้เสนอให้ต่อเวลาแต่คิดว่าเมื่อท่านรู้ว่าเป็นใครท่านจะไปทำอะไรพวกท่านเหล่านั้นดีท่านวางแผนแร้ายที่ไม่เหมาะกับสมณะ ตรียมจะจัดการบรรดาพระที่ไม่คิดถึงจิตใจผู้อื่นความโกรธของท่านปลบความเจ็บปวดเิียจมิดท่านรู้แก่โทสั่ท่านโหดเหี้ยมท่านไม่เคยรู้สึกโกรธมากขนาดนี้มาก่อนเลยและแล้วเสียงของก็ดังขึ้นอีกครั้งมันเป็นเวลาส5บห้านาทีที่ผ่านเร็กที่สุดในชีวิตของท่านทีเดียวท่านอาจารย์พูดว่า การปฏิบัติธรรมเสร็จสิ้นลงแล้วมีน้ำปานะเตรียมไว้ให้ท่านที่โรงชันเชิญตาสบายเชิญท่านพูดกันได้แล้วพระฝรั่งเบลอไปเลยด้วยความสับสนผมคิดว่าเราจะต้องภาวนาต่อไปอีกสองอาทิตย์แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้เห็นพระฝรังงง จึงเดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มท่านบอกพระฝรั่งว่าอย่าข้องพนไปเลยท่านอาจารย์ทำเช่นนี้ทุกปีแหละ กินความโกรธปัญหาของความโกรธอยู่ที่ว่าพวกเรามักพอใจที่จะโกรธมันมีความเพลิดเพลินยินดีที่น่าหลงติดและมีอำนาจเกี่ยวข้องกับการแสดงอาการโกรธและเราก็ไม่อยากจะละสิ่งที่เราชอบนั้นอย่างไรก็ตามความโกรธ ก็มีโทษด้วยเช่นกันและผลที่ตามมาจะมีน้ำหนักมากกว่าความพอใจใดๆเพียงแต่เราตระหนักถึงผลพวงของความโกรธระลึกได้ถึงผลต่อเนื่องจากความโกรธเมื่อนั้นแหละเราจะรู้สึกเต็มใจที่จะละความโกรธเสีย รังหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรแห่งหนึ่งมีปีศาจตนหนึ่งเดินเข้ามาในวังขณะที่พระราชาไม่อยู่ปีศาจตนนี้น่าเกลียดมากแถมยังเหม็นอย่างร้ายกาสิ่งที่มันสำรอกออกมาก็น่าขยะแขยงจนทหารยามและเจ้าหน้าที่ในวังทุกคนตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัว นั่นทำให้ปีสานเดินผ่านห้องต่างๆด้านนอกจนเข้าไปถึงท้องพระโรงชั้นในได้อย่างสบายๆแถมยังนั่งลงบนบันลังของพระราชาอีกด้วยทหารยามและคนอื่นๆพลันในสติเมื่อเห็นปีสานบนบันลังของพระราชาเขาตะโกนว่า ออกไปจากที่นี่ซะนี่ไม่ใช่ที่ของเจ้านะถ้าเจ้าไม่ย้ายก้นของเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ละก็เราจะแล่เจ้าเป็นชิ้นชิ้นด้วยดาบของเราด้วยคำพูดอย่างกดกรธไม่กี่คำนี้ตัวเจ้าปีศาจก็โตขึ้นอีกสองสนิว้วหน้าตาก็น่าเกลียดขึ้นกลิ่นเหม็นเหม็ก็รุนแรงขึ้น และคำพูดก็หลามกยิ่งขึ้นดาบถูกชักออกวาดแหว่งไปมากริกถูกดึงออกมาพร้อมกับเสียงคมขู่ต่างๆทุกๆคำพูดที่ออกอาการโกรธทุกๆ ก, การกระทาด้วยความโกรธแม้แต่ทุกๆความคิดโกรธตัวเจ้าปีศาจก็โตขึ้นทีละนิ้วทีละนิ้วหน้าเกลียดยิ่งขึ้นเหม็นยิ่งขึ้น และใช้ภาษา ส, สกปรกยิ่งขึ้นการเผชิญหน้ากันยังคงดำเนินต่อไปสักพักจนกระทั่งกระราชากลับมาถึงวังท่านเห็นเจ้าปีศาจ ร, ร่างอยักบนบันหลังของท่านท่านไม่เคยเห็นอะไรที่น่ากเกลียดสุดๆอย่างนี้มาก่อนเลยแม้แต่ไหนหนงังภาพยนตร์ก็เถอะ กลิ่นเหม็นฉุนที่ออกมาจากกายเจ้าปีศาจนั้นแม้แต่หนอนก็อาจจะคลื่นไส้ได้ภาษาที่ใช้ก็น่าเกลียดเสียยิ่งกว่าที่จะได้ยินจากบาร์เถื่อนกลางเมืองที่เต็มไปด้วยคนเมาในคืนวันเสาร์พระราชา สติปัญญาก็ด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงเป็นถึงประราชาท่านสงสาวา่าท่านจะจัด ก, การอย่างไรท่านกล่าวอย่างอบอุ่นวา่ายินดีต้อนรับท่านยินดีต้อนรับสู่วังของข้าพเจ้ามีผู้ใดนำเครื่องดื่ม และอาหารมาให้ท่านเรอยงด้วยกิริยาท่าทางที่สุภาพเช่นนี้ตัวของเจ้าปีศาจก็หดเล็กลงสักสองสามนิว้วหน้าเกลียดน้อยลงเหม็นน้อยลงและน่ารังเกียดน้อยลงเจ้าหน้าที่ประจําวังเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเรามีชาดาจิลิงอังกฤษแบล็กฟัสหรือเออร์เกร หรือท่านจะชอบชาเปปเปอร์มิ้น์ที่แสนอร่อยมีผลดีต่อสุขภาพอีกคนโทรศัพท์สั่งพิซซ่าขนาดครอบครัวซึ่งเหมาะสำหรับปีศาจร่างยักษ์เช่นนีขณะที่อีกคนนวดเกล็ดที่คอของมันเจ้าปีศาจคิดในใจว่าอืมสบายจังทุกๆคำพูดที่สุภาพการกระทำที่เอื้อเฟือ้อ ตลอดจนความคิดที่ดีตัวเจ้าปีศาจก็ค่อยๆหดลงหดลงหน้าเกลียดน้อยลงเหม็นน้อยลงและน่ารังเกียดน้อยลงก่อนที่เด็กส่งพิซซ่าจะมาถึงร่างของเจ้าปีศาจก็หดลงจนมีขนาดเท่ากับตอนที่มันนั่งลงบนบันลังในครั้งแรก แต่เขาก็ยังไม่หยุดที่จะทำดีต่อมันในไม่ช้าเจ้าปีศาจก็เล็กลงเล็กลงจนเกือบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วและหลังจากการแสดงน้ำใจอีกเพียงครั้งเดียวเจ้าปีศาจก็หายวับไปเลยเราเรียกเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ว่าปีศาจกินความกลั หมายเหตุเรื่องปีศาจกินความโกรธนี้มาจากสังยุตติกายสักกสังยุตพระสูตรหมายเลข22 เวคู่ชีวิตของเราอาจจะเป็นอีสาจกินความโกรธได้ถ้าเราโกรธเขาเขาก็จะเลวลงน่าเกลียดขึ้นเหม็นขึ้นพูดจาหน้ารำคาญยิ่งขึ้นปัญหาจะบานปลายขึ้นทุกครั้งที่เราโกรธเขาแม้แต่คิดโกรธในใจก็เถอะบางทีตอนนี้เราจะได้เห็นความรู้เท่าไม่ถึงการของเรา และรู้สิทีว่าเราจะทำอะไรต่อไปความเจ็บปวดเป็นกิศาตินความโกรธตัวหนึ่งเมื่อเราคิดโกรธเจ้าความเจ็บปวดจงไปพ้นที่นีไม่ไช้ที่ของเจ้ามันกลับจะรุนแรงขึ้นและเลวร้ายลงในหลายๆด้าน มันยากนักที่จะใจดีต่อสิ่งที่ทั้งน่าเกลียดและน่ารังเกยียจเช่นจากความเจ็บปวดนี้แต่หลายหลายครั้งในชีวิตที่เราไม่มีทางเลือกอื่นใดอย่างเรื่องปวดฟันของอาตมาเมื่อเราสามารถทําใจยอมรับความเจ็บปวดอย่างจริงใจมันกลับจะเจ็บน้อยลงและก่อปัญหาาน้อยลงและบางครั้งก็หายวับไปเลย มะเร็งบางชาลิดก็เป็นปีศาจกินความกลบเป็นตัวร้ายที่ทั้งน่าเกลียดน่ากลัวอยู่ในตัวเราบนบัลลังก์ของเรามันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราอยากจะสั่งมันว่าเจ้าจงออกไปให้พ้นที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวแลว้วหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้ เราอาจจะบอกมันว่ายินดีต้อนรับมะเร็งบางตัวได้รับการบำรุงเลี้ยงดูจากความเครียดดังนั้นเราจึงเรียกมันว่าตีสารกินความโปรธมะเร็งพวกนั้นตอบสนองเป็นอย่างดี ต่อพระราชาเจ้าของวังที่จะกล่าวกับมันอย่างกล้าหาญว่าเจ้ามะเรงเอ๋ยประตูปปะใจของฉันเปิดรับเจ้าอยา่างเต็มที่ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรฉันก็ตามเจ้าจงเข้ามาถึง ทผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งของความโกรงที่เราควรจะจาใส่ใจไว้ก็คือมันจะทำลายความสัมพันธ์ของเราและแยกเราออกจากมิดของเราทำให้เราจึงเลิกคบกับเพื่อนของเราไปเลยทั้งทั้งที่เราเคยคบกับเขาอย่างมีความสุขยิ่งมาเป็นเวลาหลายๆปี เมื่อเขาทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บใจวันเวลาที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่เคยมีร่วมกันมาเหมือนกับอิฐก้อนสวย998ก้อนกลับไม่มีความหมายใดๆเรามองเห็นแต่เจ้าความผิดที่ดูมาหันนั้นเหมือนกับอิดก้อนน่าเกลียดเพียงสองก้อนและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ้นไปมันดูไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไหร่ ถ้าโยมอยากจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็จงเพาะเลี้ยงความโกรธเอาไว้เถอะสามีพันรยาหนุ่มสาวชาวแคนาดาที่อาตมารู้จักคู่หนึ่งกำลังจะหมดสัญญาการทำงานที่เมืองเพิขดขณะกำลังวางแผนการเดินทางกลับบ้านเกิดที่โตรนโตเขาเกิดความคิดเฉียบแหลม ที่จะล่องเรือกลับประเทศแคนาดาก็จึงวางแผนที่จะซื้อเรือยอทล์ลาไม่ใหญ่นักและแล่นเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปสู่เมืองแวนคูเวอร์โดยช่วยกันกับสามีพันรยาสาวอีกคู่หนึ่งเมื่อถึงเมืองแวนคูเวอร์พวกเขาก็จะขายเรือยอด์ได้เงินลงทุนคืนแถมยังเหลือเป็นค่ามัดจำบ้านหลังใหม่ของเขาอีกด้วย นี่ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนที่คุ้มค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการประนยนไพรที่น่าตื่นเต้นในชีวิตของหนุ่มสาวทั้งสองกู้ทีเดียวเมื่อพวกเขาเดินทางถึงแคนาดาโดยสมรริภาพแล้วเขาได้ส่งจดหมายมาที่วัดของอาตมาพันน า, นาถึงการเดินทางที่แสนวิเศษนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า คนเราจะสามารถโง่เขลาได้ขนาดไหนเมื่อเราโกรธและเหตุผลที่เราสมควรจะแก้ปัญหาเรื่องความโกรธของเราในช่วงกลางๆของการเดินทางของพวกเขาซักแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่นดินที่ใกล้ที่สุด ห่างออกไปหลายกิโลเมตรเครื่องยนต์พรย์ยอทของเขาเกิดเสียหนุ่มทั้งสองคนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปใส่ชุดช่างลงไปที่ห้องเครื่องเล็กๆพยายามที่จะแก้ภรรยาส า, สาวทั้งสองคนนั่งอยู่บนดาดฟ้าเรือมีความสุขกับการอ่านหนังสือนิตยสารกลางแสงแดดอันอบอุ่นห้องเครื่องนั้นพังร้อน และทั้งแคบสองหนุ่มรู้สึกราวกับว่าจกเครื่องยอนต์นั้นมันพยจดมากและไม่ยินดีรับการซ่อมแซมใดๆน็อตเหล็กตัวโตก็ไม่ยอมเข้าล็อกกับประแจเลื่อนกระปูค่วงตัวเล็กแต่สำคัญก็ดันลื่นตกลงไปอยู่ในซอกเล็กๆเหนียวๆที่เข้าไม่ถึงอะไรๆที่รั่วอยู่ดูจะไม่ยอมหยุดรั่ว ความหงุดหนิดนำไปสู่ความคุ่เคืองรำคานเริ่มที่เครื่องยนต์ก่อนแล้วก็มาสู่กันและกันความคุ่เคืองรำคานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปสู่ความโกรธแล้วความโกรธก็ระเบิดเป็นความบ้าคลั่งด้วยแรงโทสะหนึ่งในนั้นรับไม่ไหวอีกต่อไป เขาเวียงกุญแจปากตายทิ้งปากก็ตะโกนว่าไม่ไหวแล้วพอกันทีฉันไม่อยู่แล้วด้วยอาการสติแตกเพราะความโกรธเขากลับไปที่ห้องเคบินของเขาล้างมือล้างไม้เปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของลงกระเป๋าแล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือโดยใส่เสื้อแจ็คเก็ต ตัวที่ดีที่สุดพร้อมกระเป๋าเดินทางในมือทั้งสองของเขาด้วยอาการควันออกหูหญิงสาวทั้งสองเน่าว่าพวกเธอหัวเราะจนเกือบจะหงายหลังตกเรือไปทีเดียวชายผู้น่าสงสารเหลียวไปมองรอบตัวเห็นแต่มหาสมุทรจะรดขอบฟ้าไม่ว่าจะมองไปทางไหน มันไม่มีที่ไหนที่จะให้เขาไปเลยจริงๆชายหนุ่มนั่นรู้สึกว่าเขากลายเป็นตัวตลกไปแล้วเขาหน้าแดงด้วยความอับอายหมุนตัวกลับไปที่เควินเอาของออกจากกระเป๋าเดินทางเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่แล้วก็กลับไปที่ห้องเครื่องเพื่อช่วยเพื่อน เขาต้องทำเพราะไม่รู้จะไปไหนได้แล้วในตอนนั้น วิธีการที่จะระงับการต่อต้านการปกครองเมื่อเราตระหนักว่าไม่มีที่ไหนให้ไปอีกแล้วเราก็จะหันหน้ามาประชิญกับปัญหาแทนที่จะวิ่งหนีมันปัญหาส่วนมากมักมีทางออกที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้หากเรากำลังวิ่งไปในทิศทางอื่น ในเรื่องที่แล้วเครื่องยนต์ของเรือยอทได้รับการแก้ไขจนสำเร็จชายทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันแล้วเขาก็ได้ใช้เวลาที่เหลือกับการล่องเรืออย่างวิเวศษสุดด้วยกันเมื่อมนุษย์ในโลกของเรานี้ต้องอยู่ใกล้กันกับผู้อื่นเข้าไปทุกทีทุกที เราจรึงจำเป็นจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้กับปัญหาต่างๆของเราเพราะไม่มีที่ที่จะให้เราหนีปัญหาไปได้พูดง่ายๆเราไม่สามารถรับความขัดแย้งหนักๆได้อีกต่อไปเมื่อเกือบส0สปีก่อนอาตมามีประสบการณ์ส่วนตัว เกี่ยวกับวิธีการที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการสํสำคัญที่คุกคามระบบการปกครองระบบราาประชาธิปไตยของชาติเมื่อปีพุทธศักราช2518ประเทศเวียดนามใต้าลาวและเขมรตกเป็นของคอมมิวนิสต์ภายในเวลาห่างกันไม่กี่วัน มหาอำนาจตะวันตกคาดการตามทฤษฎีโดมิโนโว่าไทยคงต้องตกเป็นของคอมมิวนิสต์ด้วยนานไม่ช้าในช่วงเวลานั้นอาตมายังเป็นพระผู้น้อยอยู่ทางภาคอีสานของไทยวัดที่อาตมาอาศัยอยู่เป็นประจำอยู่ใกล้เมืองหานอยมากกว่าใกล้กรุงเทพสักสองเท่าได้พวกเราได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนชื่อไว้ที่สถานทูตของเรา และแผนการอพยพ ก, ก็ได้รับการตระเตรียมรัฐบาลตะวันตกส่วนใหญ่รู้สึกประหลาดใจที่ประเทศไทยไม่ได้ถูกโค่นลงไปด้วยหลวงพ่อชาในขณะนั้นเป็นพระที่มีชื่อเสียงบรรดานายทหารระดับสูง ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของรัฐบาลพากันเดินทางมากราบท่านทิวัดเพื่อขอกำลังใจและคำแนะนำจากท่านภาษาไทยของอาตมาตอนนั้นคล่องแล้วแถมภาษาลาวก็พอไหวอาตมาจึงได้รับทราบข้อมูลวงในถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ทหารและฝ่ายปกครองไม่ได้วิตกกังวลเรื่องกองทัพแดงนอกเขตชายแดน เท่ากับที่วิตกกังวลเรื่องนักเคลื่อนไหวและผู้ฝักฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์ภายในประเทศนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวไทยที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนได้หนีก็ไปอยู่ในป่าทางภาคอีสานของไทย เพื่อให้การสนับสนุนกองโจรของมนิกไทยภายในประเทศอาวุธวุตโธประกอถูกจัดส่งเข้ามาจากนอกชายแดนรวมทั้งการฝึกฝนอบรมด้วยอีกทั้งบรรดาหมู่บ้านในเขตสีชมพูในภูมิภาคนั้นก็ยางยินดีจัดส่งอาหารตลอดจนสิ่งจำเป็นอื่นๆให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากคนท้องถิ่น นับเป็นการกุก ค, คามที่ดูน่าวิตกยิง่งทั้งทหารและฝ่ายปกครองหาทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กลยุทธ์สามอยา่างดังต่อไปนี้ 1. การอดกลั้นฝ่ายทหารไม่ได้โจมตีฐานที่มั่นของพวกคอมมิวนิสต์แม้ว่าทหารทุกคนจะรู้ดีว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง ขณะที่อาตามากําลังใช้ชีวิตเป็นพระธุดงค์ระหว่างพุทธศักราช 2,522 ถึง 2,523 แสวงหาที่วิเวกตามภูเขาและป่าเพื่อปฏิบัติภาวนาอาตามาได้พบหน่วยลาตระเวนของกองทัพไทยโดยบังเอิญพวกเขาได้ให้คำแนะนำอาตามาเขาชี้ไปที่ภูเขาลูกหนึ่งและบอกอาตามาว่า จงอย่าได้ไปที่นั่นมีพวกคอมมอนิสต์อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ชี้ไปที่ภูเขาอีกลูกหนึ่งและบอกอาตามาว่าบริเวณนั้นน่ะเป็นที่ที่เหมาะสําหรับการภาวนาไม่มีคอมมอนิสต์อยู่ที่นั่นอาตามาต้องสนใจฟังคําแนะนําของพวกเขาเพราะได้ยินมาว่าในปีนั้น พวกคอมมนิสต์ได้จับพระธุดงที่กำลังปฏิบัติภาวนาอยู่ในป่าทรมานและก็ฆ่าเสียหลายองค์ 2. การให้อภัยได้มีการเนรโทษกรรมอย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดช่วงเวลาอันตรายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ก่อการร้ายของมวนิสย์คนใดคนหนึ่งต้องการกลับใจเขาก็สามารถปลดอาวุธของเขาแล้วกลับเข้าไปในหมู่บ้านหรือในมหาวิทยาลัยได้สบายๆเขาอาจจะต้องถูกควบคุมดูแลบ้างแต่จะไม่ได้รับการลงโทษใดๆเลยอาตมาไปถึงหมู่บ้านหนึ่งในเขตตำบลเขาวง เพียงสองสามเดือนหลังจากที่พวกคอมมิวนิสต์ได้สุ่มโจมตีรบจีบคันใหญ่ที่นอกหมู่บ้านและฆ่าทหารไทยที่นั่งมาเต็มคันรบทิง้งพวกหนุ่มๆในหมู่บ้านส่วนใหญ่รู้เห็นเป็นใจกับทหารคอมมิวนิสต์เพียงแต่ไม่ได้ลงมือกระทำการต่อสู้เท่านั้นเขาบอกอาตมาว่าเขาเพียงแค่โดนขุมคูแต่ก็ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนาได้โดยเสรี 3. การแก้ที่รากเน่าของปัญหาในช่วงปีเหล่านี้อาตมาเห็นการตัดถนนสายใหม่ๆในภูมิภาคนี้และถนนสายเก่าก็ได้รับการลาดยางซ่อมบำรุงชาวบ้านสามารถนำผลผลิตเข้าไปขายในเมืองพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้คำแนะนำ และส่งใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอ่างเก็บน้ำรองรับระบบชลประทานหลายร้อยแห่งเพื่อให้ชาวนายากจนในภาคอีสานสามารถปลูกข้าวได้สองครั้งในแต่ละปีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลที่สุดพร้อมด้วยโรงเรียนและสถานีอนามัยภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยได้รับการเอาใจใส่ดูแล จากรัฐบาลในกรุงเทพและชาวชนบททั้งหลายก็อยู่ดีกินดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครั้งหนึ่งทหารพรานของรัฐบาลไทยที่ล่าตระเวนในป่าบอกอาตมาว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องยิงพวกคอมมิวนิสต์หรอกพวกเขาก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละ เวลาเราเจอเขาลงมาจากภูเขาหรือเข้าไปหนึ่งหมู่บ้านเพื่อจะไปเอาของกินของใช้แล้วเราทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นใครผมก็แค่อวดนาฬิกาข้อมือใหม่หรือไม่ก็ให้เขาฟังเพลงไทยจากวิทยุใหม่ของผมเพียงแค่นั้นเขาก็เลิกเป็นคอมมิลิตแล้วละ่ะนั่นเป็นประสบการณ์ของเขาและเพื่อนๆนทหารของเขาด้วย พวกคอมมินิต์ไทยเริ่มต่อต้านการปกครองด้วยความโกรธเคืองรัฐบาลไทยถึงขนาดที่พร้อมจะสละชีวิตที่ยางยาววัยของเขาแต่ความอดทนอดกลั้นของฝ่ายรัฐบาลได้ช่วยป้องกันไม่ให้ความโกรธของเขาหนักหนาสาหัดขึ้นการให้อภัยด้วยการเนรโทศกรรมทำให้เขามีทางออกทั้งที่ปลอดภัยและไม่เสียศักดิ์ศรี การแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาต่างๆทำให้ชาวชนบทผู้ยากจนกินดีอยู่ดีขึ้นชาวชนบทไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนพวกคอมมนิส์อีกต่อไปพวกเขาพอใจในรัฐบาลที่มีอยู่และพวกคอมมนิสเองก็จักจะเริ่มลังเลสงสัยว่าพวกเขามาตกระกรรมลำบากอยู่ในป่าทึบบนภูเขากันทาไม คนแล้วคนเล่าที่ทิ้งอาวุธปืนแล้วกลับไปหาครอบครัวบ้างกลับเข้าหมู่บ้านบ้างกลับเข้ามาหาวิทยาลัยตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช2523เป็นต้นมาแทบจะไม่มีผู้ต่อต้านการปกครองเหลืออยู่เมื่อนั้นบรรดานายพลของกองทหารในป่าซึ่งเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์จึงยอมแพ้ อาตามา ย, ยังจำได้ว่าเคยเห็นบทความสารคดีในหนังสือพิมพ์บางกอะโพสเรื่องนักธุรกิจหัวใสคนหนึ่งพานักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปในป่าเพื่อเยี่ยมชมถ้ำร้างต่างๆที่ครั้งหนึ่งพวกคอมมิวนิสต์เคยอาศัยในระหว่างกุกขามชาติบ้านเรือนของตนเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าหวหน้าผู้ก่อการต่อต้านการปกครองพวกนั้น มีการใช้มาตรการเนรโทษกรรมอย่างไม่มีเงื่อนไขกับพวกเขาหรือไม่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นหรอกพวกเขาไม่ได้ถูกลงโทษหรือถูกเนรเทศหากยังได้รับข้อเสนอให้ดำรงตำแหน่งสำคัญญในราชการที่ต้องมีความรับผิดชอบเป็นการยอมรับคุณสมบัติในการเป็นผู้นำของเขาตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ยากลำบาก ในความห่วงใยใส่ใจที่เขามีต่อผู้คนทั้งหลายช่างเป็นการกระทําที่ฉลาดหลักแหลมอะไรเช่นนั้นเรื่องอะไรจะไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่กล้ า, าหาญและอุทิศตนเช่นหนุ่มๆเหล่านั้นเล่า น, น, นี่เป็นเรื่องจริงที่อาตมาได้ยินโดยตรงจากเหล่าทหารและชาวบ้านที่ภาคอีสานของไทยในเวลานั้น แล้วยังได้พบเห็นด้วยตาของอาตมาเองน่าเศร้าที่แทบจะไม่ได้มีการบอกเล่าเรื่องเหล่านี้ให้คนทั่วไปทราบขณะที่อาตมากำลังเขียนหนังสือเล่มนี้อดีตผู้นำคอมมิวนิสต์ในครั้งกรนโนนสองคนกำลังรับใช้ชาติอยู่ด้วยการเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน ลงด้วยการให้อภัยเมื่อใครคนหนึ่งทำร้ายเราเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่จะลงโทษเขาถ้าเราเป็นชาวคริสต์มุสลิมหรือยิวเราน่าจะเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเขาอย่างสาสมถ้าเราเป็นชาวพุทธ ฮินดูหรือศิษยเราย่อมเชื่อว่าผู้ที่ทําร้ายเราจะโดนกรรมที่เขาก่อไว้สนองเองและถ้าคุณเป็นพวกลัทธิสมัยใหม่ประเภทนิยมการบาบัดทางจิตคุณก็เชื่อว่าผู้ที่ทําร้ายคุณจะต้องเข้ารับการบําบัดทางจิตที่แสนจะแพงเป็นเวลาหลายปี ด้วยความรู้สึกผิดดังนั้นทำไมเราจึงจะต้องเป็นผู้ให้บทเรียกแก่เขาหากพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราก็พบว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ลงมือสำเร็จโทษเขาเรายังคงทำหน้าที่ต่อสังคมของเราได้เมื่อเราปล่อยวางความโกรธและสงบลงด้วยการให้อภัย พระฝรังเพื่อนอาตมาสององค์กำลังมีเรื่องโต้เทียงกันพระองค์หนึ่งท่านเป็นอดีตนาวิกโยธินอเมริกันที่เคยผ่านการรบแนวหน้าในสงครามเวียดนามและเคยบาดเจ็บอย่างหนักส่วนอีกองค์ท่านเคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงทำเงินมหาศาลจนสามารถปลดกเกษียณตัวเองได้เมื่ออายุเพียง20สบกว่าปี ทัานสองท่านฉลาดเข้มแข็งและแกร่งสุดๆพระเราไม่สมควรจะโตเถียงกันแต่ท่านก็กำลังทำอยู่พระไม่สมควรจะโดนหมัดกันแต่ท่านก็เกือบือยู่รอมรอกท่านกำลังถมตาใสา่กันจมูก เกือบจะชนจมือและพ้นความโกรธใส่กันขณะที่กำลังเจนว ร, รยาโต้ตอบกันด้วยถ้อยคำเผ็ดร้อนสุดขีดจูจูอดีตนาวิกโยธินก็กุกเข่าลงกราบอย่างมดงามต่อหน้าพระอดีตนักธุรกิจผู้ที่กำลังตกใจสุดขีดท่านแหนหน้าขึ้นและกล่าวว่าผมเสียใจให้อภัยผมด้วยเถิด มันเป็นการกระทําออกมาจากใจที่พิเศษและหาได้ยากซึ่งมักจะเกิดขึ้นเองจากแรงบันดาลใจมากกว่าจะเกิดจากการวางแผนมันเป็นสิ่งที่รับรู้ได้เพราะอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นอย่างไม่ทันจะหักห้ามใจหรือต่อต้านได้พระอดีตนักธุรกิจถึงกับนักตาสินไม่กี่นาทีต่อมาผู้คนก็ได้เห็นท่าน เดินไปด้วยกันฉันเพื่อนนั่นแหละคือสิ่งที่พระเราสมควรจะกระทำ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 ที่มีค่ายิ่งต่อกันและมีลูกที่น่ารักมากสองคนสีหน้าของเธอแวววาวด้วยประกายสดใสของผู้มีใจบริสุทธิ์อาตมารู้สึกอยากจะกุบเข่าคารวะเธอเธอหยุดอาตมาไว้ด้วยการพูดต่อว่าท่านเห็นมานั่งตัวนั้นไหมคะอาทิตนี้เขาตอกอี่ไม้ตัวนั้นไว้ให้ดิฉันใช้นั่งสมาธิเพื่อจะเซอร์ไพร์ดิฉัน